เรืองพระนันทะพระอนุชาอันว่าฝนย่อมรั่วรถซึ่งเรือนอันมุงบางไม่ดีแล้วฉันใดอันว่าราคาย่อมเสียดแทงซึ่งจิตอันบุคคลไม่เจริญแล้วฉันนั้นอันว่าฝนย่อมไม่รั่วรถซึ่งเรือนอันมุงบางดีแล้วฉันใดอันว่าราคะย่อมไม่เสียดแทงซึ่งจิต อันบุคคลเจริญให้เจริญดีแล้วฉันนั้นดังจะกล่าวอันว่าพระศาสดาเสด็จไปสู่เมืองราชคฤหัสถ์นมคตแห่งพระราชาพิมพิสารเสด็จประทับอยู่ในเวลุวันมหาวิหารวัดแห่งแรกที่พระราชาพิมพิสารสร้างถวายเป็นสวนป่าไัยเวลุวันพระพุทธบิดาสุทโธนธนะ ทูเชิญพระบรมศาสดาสเสด็จกรุงกบิลพัททรงสเสด็จแล้วสู่กรุงกบิลพัททรงกระทำแล้วซึ่งฝนโบกคราพันสะอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเรื่องมหาเวสันดรชาดกในสมาคมแห่งพระญาติสเสด็จเข้าไปแล้วเพื่อบิทฑบาตในวันรุ่งขึ้นทรงยังให้พระบิดาให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วในโสดาปฏิผลด้วยพระคาถาว่า อันว่าภิกษุไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับดังนี้เป็นตน้นทรงยังพระนางมหาประชาบดีโคตมีให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วในโสดาปฏิผลด้วยและพระบิดาให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วในสกะทาคามิผลด้วยพระคาถาว่าอันว่าบุคคลพึงประพฤติซึ่งธรรมให้เป็นสุจริต ครั้นเมื่อในงานมงคลอภิเษกสมรสและการวิวาแห่งพระกุมารพระนามว่านันทะในวันที่สามแต่วันที่เสด็จไปเสร็จพิธีวิวาแล้วทรงส่งบา ท, ที่พระนันทะเจ้าบาวถือในมือทรงพระดำเนินกลับไม่ทรงรับแล้วซึ่งบาจากมือพระนันทะได้เสด็จตามพระบรมศาสดาไปทำกลางเสียงเรียกร้องของพระนางชนบทกาลยานีเจ้าสาว ให้เสด็จกลับโดยเร็วดังนี้แหละทรงนำพระนันทะไปแล้วสู่วิหารตรัสถามพระนันทะพระอนุชากราบทูลด้วยความเคารพในพระพุทธองค์ว่าพระเจ้าค่าอันว่ามอมชั้นจักบวชพระพุทธองค์อย่างพระนันทะให้บวชแล้วในวันนั้นต่อมาวันที่เจ็ดนับแต่เสด็จกรุงกบิลพัท พระราหุนราชกุมารเข้าไปเฝ้าทูลขอความเป็นแห่งทายาทและขอพระราชทานทรัพย์พระพุทธองค์ทรงประทานให้แล้วซึ่งอริยทรัพย์ด้วยพระคถ า, าว่าอันว่าทรัพย์ที่ขอนั้นเป็นทรัพย์ไปตามแล้วซึ่งวัตตะเป็นทรัพย์อันเป็นไปด้วยความคับแคบเราจะให้ซึ่งทรัพย์อันประเสริฐเจ็ดประการอันเราตถาคตได้แล้วที่โคนแห่งพระสีมหาโพนั้น เพื่อความเป็นแห่งทายาทอันเป็นโลกุตระส่งให้พระราหุลบวชแล้วอันความทุกมีประมาณยิ่งเกิดขึ้นแล้วแก่พระราชาสุดโทนทนะเพราะทรงสดับซึ่งข่าวสารนั้นจึงทูลขอว่าไม่พึงยังบุตรอันบิดามารดาทั้งหลายไม่อนุญาตให้บวชพระพุทธองค์ทรงอนุญาต วันหนึ่งพระพุทธบิดาทรงตรัสถามพระบรมศาสดาว่าเมื่อครั้งพระพุทธองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้ขณะทรงบำเพ็ญทุกริกิริยาอยู่ได้มีเทวดาตนหนึ่งมาบอกว่าท่านเป็นผู้กระทำแล้วซึ่งกาละคือตายก็ไม่ทรงเชื่อด้วยคิดว่าอันว่าลูกชายของเราไม่บรรลุแล้วซึ่งญาณเป็นเครื่องตรัสรู้จะกระทำซึ่งกาละหาไม่ได้ แม้ในการก่อนก็มีพรามนำมาแสดงแล้วซึ่งกระดูกทั้งหลายแต่พระพุทธบิดาก็ไม่ทรงเชื่อแล้วดังนี้จะทรงเชื่อได้อย่างไรพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบแล้วซึ่งเรื่องมหาธรรมบาลชาดกในการเป็นที่สุดรอบแห่งการฟังธรรมพระพุทธบิดาทรงตั้งอยู่แล้วซึ่งอนาคามิผลทรงยังให้พระราชบิดาให้ตั้งอยู่ในเฉพาะในผลทั้งสามด้วยประการชนี จากนั้นพระพุทธองค์ทรงเสด็จกลับกรุงราชฤและเสด็จสู่เมืองสาวัตถีตามลำดับเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารของอนาถบินทิกะเศรษฐีอันมีพระนันทภพุทธอนุชาผู้บวชแล้วติดตามมาด้วยแล้วเบื่อหน่ายแล้วใครบอกคืนแล้วซึ่งสิกขาด้วยคิดถึงพระนางชนบทกาลยานีครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงจับแขนพระนันทะ แล้วส่งนำไปสู่ดาวดึงเทวโลกด้วยกำลังแหง่งฤทธิ์ทรงแสดงซึ่งรอยแห่งนางอับสอนทั้งหลายอยู่และทรงตรัสว่าถ้าหากพระนันทจาจะอยู่ประพฤติปรมจรรย์จะได้ซึ่งนางอับสอนคือนางฟ้าทั้งหลายเหล่านี้พระนันธายินดียิ่งแล้วในพรมจรรย์จึงพาพระนันทากลับสู่วิหารเชตวันครั้งนั้น พระภิกษุทั้งหลายต่างโจทย์ขานกันว่าพระนันทะพุทธอนุชายอมประพฤติปรมจรรย์เพราะเหตุแห่งนางอับสรเป็นข่าจ้างซึ่งพระศาสดาจ้างให้บวชแล้วดังนี้พระนันทะได้ฟังบ่อยๆเกิดความอึดอัดทั้งละอายหลีกจากหมู่ออกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทแล้วมีความเพียรอันยังกิเลสให้เร่าร้อนแล้วมีจิตอันทรงไปแล้ว ในการไม่นานนั่นเทียวรู้ยิ่งเองแล้วกระทำให้แจ้งแล้วบรรลุแล้วซึ่งอรหัตผลนั้นเป็นอรหันตพระองค์หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาบอกคืนซึ่งนางอักษรทั้งหลายที่พระพุทธองค์เคยรับรองแล้วเพราะความบรรลุแห่งใจซึ่งความหลุดพ้นแห่งปัญญาอันไม่มีอาสวะทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบแล้ว ทรงเปล่งพระอุทานเป็นพระคาถาาว่าอันว่าเปลือกตมคือกามอันบุคคลใดข้ามแล้วอันว่านามคือกามอันบุคคลใดย่ำหยีแล้วอันว่าบุคคล น, นั้นถึงโดยลำดับแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข์ดังนี้อันบุคคลให้เกิดดีแล้วด้วยภาวนา คือสมถะและวิปัสนาทั้งหลายว่าอันว่ากิเลสทั้งหลายมีราคะโทสะโมหะย่อมไม่อาจเพื่ออันเสียดแทงซึ่งจิตอันมีอย่างนี้เป็นรูปราวกับว่าไม่รั่วรถอยู่ซึ่งเรือนอันบุคคลมุงบางดีแล้วดังนี้ในการเป็นที่สุดรอบแห่งพระคาถาชนทั้งหลายเป็นอันมากบรรลุแล้วซึ่งอริยะทั้งหลาย มีโซดาปฏิพลเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่ออีกว่าอันว่าพระนันธาจะได้ฝึกหัดแล้วในครั้งนี้ก็หาไม่แม้ในการก่อนก็ได้เคยกระทำมาแล้วส่งตรัสแล้วซึ่งอดีตชาติหนึ่งของพระนันธาการละครั้งหนึ่งเมื่อครั้งพระเจ้าโรมทัทครองกรุงพาราณสีมีพ่อค้าชื่อกัปปะกะ มีลาหนุ่มตัวหนึ่งเพื่อบรรทุกสินค้าวันหนึ่งบรรทุกสินค้าไปขายยังเมืองตา ก, กศิลาระหว่างขายสินค้าปล่อยลาให้เที่ยวเล็มย่าไปลาหนุ่มไปพบนางลาตัวหนึ่งเข้าไปหาแล้วกระทำปฏิสันฐานอยู่กับนางลานั้นรั้นนายกลับประกาศจำหน่ายสินค้าเสร็จก็จะกลับบ้านไปตามลาอยู่แต่ลาหนุ่มไม่ยอมกลับด้วยแม้จะอ้อนวอนเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง จึงหลอกล่อเจ้าลาหนุ่ม น, นั้นว่าน่ะเจ้าลาเราจะนำนาวีมีเท้าทั้งสี่มีหน้าขาวพิงตัวสังมีอวัยวะทั้งปวงงามมาให้เป็นพันยาของเจ้าลาหนุ่มดีใจจึงยอมกลับวันต่อมาเจ้าลาหนุ่มทวงสัญญากับเจ้านายได้กับปะกะจึงกล่าวว่าเออเราจะทําตามที่พูดไว้แต่ว่าเราจะให้สเสบียงแก่เจ้าเฉพาะผู้เดียว เราจะไม่ให้แก่พัญญาของเจ้าแม่ลูกที่เกิดมาก็ไม่ให้เหมือนกันเจ้าลาหนุ่มได้ฟังก็สลดหดหูใจเป็นผู้ไม่มีความเยื่อใหญ่ได้เป็นแล้วดังนี้พระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุอันว่านางลานในการนั้นเป็นนางชนบทกาลยาณีในการนี้อันว่าลาหนุ่มเป็นนันทะในการนี้ อันว่าพาะค้าเป็นเราตถาคตนั่นเทียวอันเราได้ล่อแล้วด้วยมาตุคามฝึกหัดแล้วแม้ในการก่อนด้วยประการชนนี้ข้อธรรมวิจัยอันว่าอาริยทรัพย์เจ็ดประการได้แก่ศรัทธาศีลฮิริโอตตปะภาหุสัจ จ, จาคะและปัญญา ี่เป็นธรรมะมีอุปการะมากเรียกว่าพระหุกาลธรรมช่วยเป็นกำลังหนุนส่งเสริมบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆให้สำเร็จภัยบุญเปรียบเหมือนคนมีทรัพย์มากย่อมเลี้ยงตนและผู้อื่นให้มีสุขและบำเพ็ญประโยชน์ได้ถึงสามโลกคือโลกนี้โลกหน้าและโลกอย่างยิ่งคือพระนิพพานความโศกย่อมเกิดจากกาม ไยยยอมเกิดจากกรมธรรมบทผู้ใดปรารถนากรามผู้นั้นชื่อว่าปรารถนาทุกข์เอรกะเทระคาถาสัตว์ทั้งปวงเหมือนคนตาบอดถูกขายดักเอาไว้แล้วเพราะไม่เห็นโทษของกรรมราหุละเทระคาถาทุกอื่นยิ่งกว่ากรมไม่มี ปานิยชาดกกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรียกว่าโลกในวินัยของอริยะเจ้าพรหมณสูตรคนดีย่อมไม่ปราศเพราะใกล้กามธรรมบทยอดสุดแห่งความพอใจเป็นยอดแห่งเบญจากามคุณ ปัญจราชาสูตรทำอย่างไรจะละกามได้เล่าพระนันธาเทระท่านเคยฝึกมาแล้วแต่ครั้งแม้เกิดเป็นลาหนุ่มหลงรักนางลาละฝึกมาแล้วลหลายชาติจนสำเร็จในชาติสุดท้ายบารมีกุศลความดีเป็นอยู่เรื่องที่ต้องสั่งสมสั่งสมทำอย่างไร ต้องละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้ได้เพราะตัวยึดในขันทั้งหลายเป็นตัวทุกข์แม้ขันผู้อื่นสัตว์อื่นด้วยก็เช่นเดียวกันจะละได้ต้องเพียรศึกษาทำความเข้าใจให้รู้ได้ด้วยปัญญาเองว่าอันว่าร่างกายจิตใจนี้เป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันจึงบังคับบัญชาไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวใช้ตนของเราถ้าใช่ตัวตนของเรา ก็ต้องบังคับบัญชามันได้แต่นี่มันแก่มันเจ็บไข้ได้ปว่วยและก็ต้องตายในที่สุดสัพพสิ่งในโลกแม้ทั้งที่ไม่มีวิญญาณครองด้วยเช่นภูเขาต้นไม้โลกพระอาทิตย์พระจันทร์เมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ชั่วขณะยอมดับไปยอมตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะด้วยกันทั้งสิน้นกล่าวคือ เป็นเหมือนกันเสมอกันทั้งหม ด, ท, หมดทุกรูปทุกนามทุกรูปธปาตุและนามธาตุทั้งรูปธรรมและนามธรรมตาเห็นดับแล้วที่ตาหูได้ยินดับแล้วที่หูดับแล้วเกิดแล้วดับแล้วเกิดใหม่อีกก็ดับอีกเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสครังคาใด เวทนาชอบชังเกิดย่อมเป็นทุกข์เพราะมันพลัดกันตลอดเวลาให้เข้าไปรู้ให้ทันแล้วดับเวทนาซะถ้าดับเวทนาได้ความเกิดใหม่ย่อมไม่มีถ้าดับเวทนาไม่ได้ความเกิดใหม่ย่อมมีเวทนาเกิดเพราะมีผัสสะก็ผัสสะทางทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละ คุมสัมผัสได้คุมโลกได้ดับเวทนาได้ความเกิดใหม่ไม่มีคุมผัสสะอย่างไรพึงหาครูอาจารย์ฝึกขัดขัดเกล้าเถอะแล้วสั่งสมไปตั้งแต่บัดนี้